เพราะเวลาญาติโยไหลฟังคําแนะนําในการเจริญพระกรรมาฐานสําหรับการเจริญพระกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนความมุ่งหมายของพระองค์ก็ว่าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกยอมมือลงได้จะโยมนานหน่มือจะทำอะไรก็ต้องการให้ทุกคนพ้นทุกคือไปนิพพาน บุคคลเรี่ไปนิพพานได้นั้นต้องมีกินสอยสะอาดจากิเลสการเจริญกรราฐานจริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสามอย่างประจำใจตัอหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลนี้ต้องระมัดระวังให้มากสองมีสมาธิสามมีปัญญาแล้วก็ทั้งสามอย่างนี้ก็จะแยกกันไม่ออกแยกไม่ได้ การเจริญกรรมฐานต้องมีศีลบริสุทธิ์ด้วยมีสมาธิตั้งมั่นด้วยมีปัญญาด้วยรงความว่าการเจริญกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาญาณต้องปฏิบัติร่วมกันคือต้องใช้ปัญญานักปฏิบัติขั้นแรกก่อนที่จะเจริญสมาธิตามอุทุมบริการสูตรที่พระเจ้าทรงตรัส ให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงก็หมายความว่าในโลกนี้ทั้งโลกเราคิดว่าเราจะไปมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครถ้าใครมีความทุกข์เราจะเกือ้อกูลให้มีความสุขถ้าใครได้ดีเราพอยินดีด้วย ถ้าใครเพี่ยงพร่ำมีความทุกข์เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราไม่ซ้ำเติมจะเฉยอยู่ก่อน <c oughs> แล้วก็อยา่าหาโอกาสช่วยเมื่อมีโอกาสนี่เป็นอันดับแรกนักเจริญกรรมฐานทุกคนอันดับแรกการทรงจิตต้องทรงอย่างนี้ตลอดวันอต้องมีเมตตาจิตต้องมีกรุณามีมุตตามีเบิขาเรี่อวพขมีหานสี หลังจากนั้นแล้วก็อขอทุกคนตั้งใจชำระศีลเรารักษาศี 5, หลห้าหรือรักษาศี 8, ลแปดหรือรักษากระบฏสิท 10. อย่างใดอย่างหนึ่งต้อควบแต่งก็าตามต้องเอาจิตเข้ามาระวังเรื่องศีลให้ครบถ้วนตลอดเวลาอย่าให้บกพร่องถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าสิลขาดสมาธิก็เสื่อม จะรองความว่าศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิเพื่อถ้าศีลบริสุทธิ์ศีลจะบริสุทธ์ได้เพหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าเราขาดเมตตาความรักข่ายกรุณาความสงสารเราจะสมาทานศีลสักพันครั้งต้นหนึ่งวันเราก็ไปนคนไม่มีศีลเพราะศีลต้องมาจากความรักความสงสาร ฉงนั้นทุกคนให้ยึดพิหารสี่เป็นพื้นฐานเมื่อชำระสิ่งเห็นว่าสิ่งดีแล้วต่อนน้นไปก็พยายามระงับนิวรณห้าระการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ภาวนาก็ดีหรือพิจารณาก็ตามเวลานั้นจงอย่าให้นิวรณ์ห้าระการวกควบลุมใจนิวรณ์ห้าระการก็คือหนึ่งตามมาฉันทะ จิตมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศสองความโกรธความยจบาตดคือความไม่พอใจสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติถ้าดิวรห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปครอบงาจิตธุกรดาท่านพุทธบริษัทเวลาภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตาม เวลานั้นเป็นอนันว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะใช้กําลังนี้โฆษนาใหญก็ใช้ไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดที่โฆษณาใหญ่ก็ไม่เกิดแต่ทั้นเวลาที่ญาติโยมพุทธบริษัทจะภาวนาก็ตามพิจารณาก็ตามก็จะพยายามหักข้ามนิวรณ์ทั้งห้าประการในเสีย ว่าเป็นว่าพื้นฐานแรกแห่งการจเจริญเป็นกรรมาฐานก่อนจเจริญต้องทำใจตามนี้นะตอนนี้วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติจริงๆอันดับแรพกพระเจ้าทรงแนะนำให้ทุกคนเข้ารับทราบรวมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าจะภาวนา การภาวนานี่ขั้นต้นของอวัมฐานไม่จำกัดในตอนต้นนี้ไม่จำกัดใยภาวนาไว้ยังไงก็ได้ตามใจชอบเพื่อแต่ถนัดถ้าไม่เคยใช้บนอดบทภาวนามาเลยเขาใช้คำพุทธโทคำว่าพุทธโทนี่เป็นการพันภาวนาทาความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติหรือว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกในวันโท พยายามถ้าหักโวยขณะนั้นเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีถือว่าทุกท่านเวลานั้นจิตทรงสมาธิถ้าไม่มีอย่างอื่นรบกวนใจถ้าบังเอิญมีคอาการอื่นอารมณ์อื่นรบกวนใจถ้าเรารู้ตัวเราก็เริ่มต้นใหม่หายใจเข้านึกว่าพุทธใจออกแล้วโทต่อไปใหม่เมื <c oughs> ่อวานนี้ได้พูดถึงเตโชกสิน ก็เป็นอันว่าจบเตโชกสินอันนี้พิเศษโยมนะเป็นการต้องการให้พระแะญาติโยมศึกษากรรมฐานในครบสี่สิบสำหรับวิธีปฏิบัติมโนยิทธิจักรวตอนท้ายวันนี้ก็เตโชวายโยวันนี้เป็นวายโยกสินวายโยกสินนี่ก็ใช้สับปว้เวลาภาวนาใช้สัพพวายโยกสินนัง อาจาศัพท์ให้ดีนะวาโยกสิงค์ใเกับสิงลม <c oughs> ก็ใช้สัพท์ภาวนาว่าวาโยกสิงนังการใช้กับสิงลมนี่หานิมิคยากอารมณ์เราไม่สามารถจะเอาลมมาเป็นนิมิคได้ทั้งนี้เป็นไม่แต่ว่าคนที่ได้ฌานในเกสิณอื่นมาก่อนแต่ว่าทุกท่าน ถ้าศึกษาตั้งแต่ปฐวีกสินมาถ้าบังเอิญได้ปฐวีเกสินแล้วได้เตโชเกสินแล้วมาปฏิบัติในวายกษินให้ทํากสินขั้นต้นที่ได้แล้วได้ฌานสี่ก่อนถ้าจิตเกษินต้นเดิมถึงฌานสี่ทำรุนฌานสี่คือปฐวีเกษินเมื่อจิตเข้าตั้งอยู่ในในฌานสี่แล้ว ล้วก็ย้ายอารมณ์ลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งถ้าฌานสี่มันย้ายไม่ได้ลดอารมณ์ลงนิดหนึ่งถึงขั้นอุปจาระสมาธิคือจิตมีกำลังเคลื่อนไหวได้เบาลงย้ายเข้าไปจับเตโชกสินหลังจากนั้นมาเตโชกสินทรงตัวทั้งฌานสี่แล้วตั้งใจให้เป็นสุดก็ไปจับวายโยกสินต่ออันนี้เป็นของไม่ยาก ถ้าใช้กำลังของชานสี่เป็นชานเราจะเห็นกระแสลมในอากาศคือกระแสลมในอากาศนั้นไม่เกินกำลังของทิพุญญาณแต่นี้สมมติว่าถ้าเป็นคนที่ฝึกใหม่ไม่สามารถจะมีทิพย์ุญาณเห็นกระแสลมได้ท่านก็ให้สังเกตอาการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้ ตามทรรมดากิ่งไม้ถ้าอ่อนบ้างพอสมควรเวลาลมพัดมากิ่งจะไหวไปไหวมาก็มีความรู้สึกว่ากิ่งไม้ที่ไหวไปไหวมานี้อาศัยกระแสลมสัมผัสไปสัมผัสด้วยอกระแสลมมีความแรงกว่าความแข็งขก็กิ่งไม้จะใบไม้กิ่งไม้จะใบไม้ก็จะไหวให้เอาตาจับกิ่งไม้จำอาการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้นั้น แล้วก็นึกในใจว่าวายโยกสีนังแล้วก็หลับตานึกถึงภาพเรื่งจีงไม้ที่ไหวไปไหวมาถ้าภาพนั้นเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำนี้ก็เหมือนการทุกองทุก ข, กขสิงทำไปทำไปก็ต้องจิตมีจับสามารถจับภาพไว้นานพอสมควรต่อไปจิตจะไม่เข้าถึงปีติคือความอินใจ ถเรียกเปสมาธิเดียอุปจาระสมาธิตอนนี้ภาพกิงไม้จะใบไม้ที่หวันจะปรากฏจ้ตใจตลอดเวลาเรียกว่ามันไม่ค่อยจะเคลื่อนไปไหนไม่ค่อยจะคลายอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเป็นสมาธิขั้นกลางต่อไปสีใบไม้จะค่อยๆกลายจากใบเขียวไปใบแดงและใบขาวก็วาตามเไะ จะค่อยๆกลายไปสีเหลืองเทือร น, น้อยแต่น้อยแต่น้อยจนกระทั่งเหลืองหมดทั้งใบทั้งกิ่งเหลืองชัดเราก็อย่าทรงอารมณ์ตามเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทรงอารมณ์ตามนั้นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้คำภาวนาตามเดิมยิ่งเอาจิตนึกถึงภาพไปไม้ที่กลายไปแล้วต่อมาถ้าจิตมีกําลังสูงขึ้นเป็นขั้นอุปจาระสมาธิเหมือนกัน กิ่งไม้จะใบไม้ก็เคยกลายเปสีขาวเถื่อน้อยเถื่น้อยเถืน่น น, น้อยพอขาวทั้งหมดชื่อว่าเต็มกำลังฮู้กัจจารสมาธิเท่า น, นี้กา้าวศิล น, นี้จะไม่สอนเรื่องทิพย์กุญยานแล้วก้ศินป์ทิพย์กุญยาณเป็นเตโชก้ศิลตรองแล้วต่อมาก็ภาวนาเรื่อไปกำหนดรู้เราไมใ่ใจเข้าออกอิกจฉาภาพนั้นให้ทรงอยู่ ภาพนั้นสีขาวจะกลายเป็นแก้วกลายเป็นแก้วทีละน้อยทละน้อยทละน้อยผลิ่สุดกลายเป็นแก้วใสสะอาดมากอีกตอนที่ในมิจฉาสิงกลายเป็นแก้วนี่ต้องสังเกตลมให้ใจเท่าออกถ้าเรายังภาวนาอยู่คำภาวนาว่าวายอยกัสีนังยังภาวนาอยู่ยังรู้ลมให้ใจเท่าออกอยู่ อย่างนี้เรียกว่าปฐมฌานเป็นฌานที่หนี่ยเป็นใสเป็นแก้วแล้วนะต่อมาภาพใสเป็นแก้วใสามากขึ้นจิตมีความอิ่มเอิบมากขึ้นแต่ลืมภาวนาคำภาวนาหายไปลมหายใจเขาออกอยังรู้ลมหายใจเขาออกเบาลงอย่างนี้แปลกายทอนฌานที่สองต่อไปจิตมีการแนบสนิทอิ่มเอิบมีความสุขมาก ด่ก ว, ว่าความอิ่มเอิบความปราบเริ่มหายไปเรียกความสุขก ก, กับการทรงตัวของจิตเรืย่อเอกตารมอาการร่างกายนั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยไม่กระตุ้นเครื่อไม่กเกรงตัวแต่ความจริงเราไม่ได้เกร็งลมให้ใจเบาลงมากหูเรียนเสียงภายนอกเบามากอย่างนี้เปรียากายของฌานที่สาม ต่อไปยังเห็นภาพกสินเป็นแก้วใสหนักขึ้นดีมากราวกัสายชัดเจนที่ว่าไม่ไม่มีอะไรน่าตื่นิสยสายและสวยมากรายกบประลมให้ใจหายไปจิตมีการทรงตัวแนบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวภาพแก้วใสจิตปลอดโปรงอย่างนี้แปลการของชานที่สี ต้องพยายามทรงตัวเข้าจินงชาในสีไว้บ่อยๆเพื่อฝึกฝนให้เข้าจิ้งชาในสีให้ให้คล่องและให้เร็วที่สุดทั้งนี้เพราะว่าวาโยกกสินเป็นกสินใช้สาหรับหอหรือต้องการความเบาต้องการความเร็วถ้าของที่หนักๆเรายกไม่ขึ้นต้องการให้เบาก็ใช้กาลังเขาวาโยกสินเข้าช่วย แต่ว่าการิี่เขาจะใช้กันจริงๆเลยวิธีใช้่าผู้ฝึกใหม่อันดับแรกนึกถึงภาพกับสิงที่เป็นแก้วแล้วก็ภาวนาว่าวาโยโกสินันรู้ลมหายใจเข้าออกพอจิตเริ่มสบายแล้วก็ดี่ฐานว่าขอของหนักนี้จงเบาเหมือนกับกำลังลมที่เคลื่อนไหวไปไวมาแล้วต่อ น, นั่งเคลื่อนจิตไปถึงชา้นสี่ ค่อหลังจากการสีมาส่งอุปจาระสมาธิเพื่มจะพอคิดได้พอจับสิ่งนั้นเท้ามันจะเบาจะเบามากตอนนี้ถามว่าเราไม่ต้องการจะยกของต้องการยกตัวเองจะไปไหนละ่ะต้องการจะไปสวรรค์หรือไปพรมรโลกจะไปแดนนรกเปสุดไกลไปมนุษย์สวรรดาวดวงไหนก็ตามไปได้ทุกดวงมีความต้องการคิดว่าเราจะไปดาวดวงนั้น ไปสวรรค์ไปพุมโลกก็ตามไปไหนก็ตามคิดไปก่อนว่าเราจะไปหลังจะได้ก็ทิ้งอารมณ์จับภาพวายโยกสินที่เราได้แล้วก็รู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาว่าวายโยกสินารวบรวมกำลังใจเข้าถึงฌานสี่หอยหลังมาอธิษฐานทีว่าเราจะไปที่ตรงนั้นก็เคลื่อนจิต ก, ก็ถึงฌานสี่มันก็ไปทันทีนี่เป็นยาทของคนผิด ถ้าว่าท่านที่ปฏิบัติข้องแล้วก็ไม่มีการถอยหน้าถอยหลังเพียงแต่เพียงคิดว่าเราจะไปไหนมันจะไปทันทีนี่คนข้องแล้วนะก็แนะนำกันไว้แค่พอรู้ตอนนี้ไปก็อย่าขอพูดเรื่องมโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปล ว, ว่ามีฤทธิ์ทางใจจริงๆแล้วเป็นกรสินเหมือนกันแต่ว่าเป็นกำลังกสินอย่างอ่อน อั้งนี้เพราอะไรว่าเพราะทุกคนที่จะปฏิบัติในมโนยิทธิอันดับแรกต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานพื้ที่ตัง้งก็ถือว่าถือพุทธฐานพุติเป็นบาทฐานพืที่รองรับกําลังจิตนั่นคือว่าทุกคนต้องนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็ภาวนาให้รูหลมให้ใจสงบต่อไปถ้เห็นพระพุทธรูปองค์นั้น เป็นสีใสเป็นแก้วใสอันนี้เป็นชานสีไม่จันกันแต่ว่าเป็นชานสีใช้งานที่มีกําลังเบาก็ไม่ไดว่าเป็นกสินไม่จันทร์เป็นกสินเบาๆใช้ไม่สามารถจะยกตัวเองไปได้ใช้ได้กับกาลังใจฉะนั้นท่านจะเรียกว่าปมโนยิธิแปลว่ามีทิศทางใจถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อันดับแรกทุกคนจะต้องได้ทิศสุญญาณก่อน คำว่าทิพย์เปุญญาณหมายถึงจิตเป็นทิพย์วิเยตาเป็นทิพย์ถ้าตาเป็นทิพย์เขเรียกทิพนิษฐ์เรามีไม่ได้อย่างนั้นต้องเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเรื่องผมพระ่างกายท่านเป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์เราร่างกายเป็นเนื้อตายเป็นเนื้อมีตาทิพย์ไม่ได้ก็ต้องใช้แค่ทิพย์เป็นกุญญาณคือใช้ใจเป็นทิพย์ คำว่าทิศอุกยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใคล้ายตาคิตนั่นคือใช้ความรู้สึกทางใจให้เชื่อความรู้สึกครั้งแรกไว้เสมอแด้ความรู้สึกครั้งแรกบอกว่าอะไรเชื่อตามนั้นจะไม่ผิด <c oughs> นี่คำว่าทิศกุยานที่มันดายาดยากโยมพราะจะไปัท์ได้กันได้ไม่เสมอกันได้ความจริงคำสอนสอนเท่ากัน แต่ความเข้าใจขั้นยอดโยคือการใช้ปัญญาไม่เท่ากันผลที่ได้รับจึงไม่เท่ากันนี่เป็นเรื่องของคนปฏิบัติคือมีหน้าที่สอนก็สอนตามหลักสูตรบางคนได้ความเป็นทิพยอย่างอ่อนคือจิตสะอาดน้อยเกินไปจิตมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพท่านที่จิตสะอาดไปกลาง จิตมีความรู้สึกเราก็เห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะท่านที่จิตสะอาดที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกเราก็จิตเห็นภาพชัดเจนจ่มใสามาก <c oughs> เมื่อทุกข์ยังเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถจะรู้จักนรกสวรรค์พุมธโลกได้ทุกอย่างต้องการอยากเห็นอะไรก็ได้ต้องการรู้สวรรค์ก็เห็นสวรรค์ต้องการเห้โลกพุโลกเห็นพุทธโลกต้องการเห็นลกเปสุรกายก็ได้ <c oughs> ต้องการรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนดีความสุขความทุกข์เป็นยังไงก็ทราบได้ต้องการรสชาติเขสามารถรสชาติได้ต้องการรู้ใจคนที่มีความรู้สึกนึกคิดยังไงก็รู้ได้ตามใจชอบในเรื่อการหนึ่งเราถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าถ้าเรามีความดีขนาดนี้ถ้าตายจากความเป็นคนชาตินี้เราจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เราก็รู้ได้ ความดีมีมากที่พระเจ้าสอนสอนสอนไวต้ตอนนี้ว่ากำถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือการไปการปฏิบัติแตบบ่กรรมาฐานธรรมดาธรรมดานี่นไม่มีอะไรมากเพราะว่ามโนยิทธินี่แบ่งหลักสูตรได้เป็นสองหลักสูตรถ้าท่านที่ทำได้อย่างอ่อนเข้าในหลักสูตรเขาวิชาสาม นั่นหมายความว่าถ้าสามารถจะเห็นจะรู้อะไรได้ตามต้องการบ้างพอสมควรถ้าไปสวรรค์ไปนรกไม่ได้ไดอันนี้ญญเป็นหลักสูตรวิชาสามท่านเข้ามาถึงหลักสูตรข้อปัญญาแต่การสอนจริงเป็นหลักสูตรข้อปัญญาท่านที่สามารถรู้ได้ทางใจแล้สามารถไปได้ด้วยอย่างที่บรรดาญาโยมพบริษัทปฏิบัติกันตามปกติเวลาครูแนะนําเขาจะแนะนําขั้นแรก ให้ ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทไปพระตุลาโมนีเจดียสถานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสัตวโลกเป็นสถานที่เทวดาและพระนวัศการเป็นประจำที่นั่นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระอริยสงฆ์และจะพบเทวดากับพร ม, มากมายก็รวมความว่า ทุกคนมีโอกาสจะพบสิ่งที่เราคิดว่าจะไม่พบถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งพอครูเขาจะแนะนำให้ไปทิ่ผ่านอันนี้สาหรับญยาญยโงที่สึกใหม่สาหรับญาญโยงเก่าที่พอได้แล้วให้รวบรวมกำลังใจตัดสินใจตั้งแต่เวลานี้ว่าขึ้นชอวิตการเกิดมนุษย์มันเป็นความทุกข์ <c oughs> การเกิดเป็นคนนี่จะเกิดมีฐานะขนาดไหนก็ตามเป็นความทุกข์เราไม่มีความสุขแล้เรายเกิดเป็นโรคนี้มันจยตกอยู่ในนั่นเขาไกลรักษัญญาณสามเดีกายคือหนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยงคือร่างกายของเราในมันไม่เที่ยงอารมณ์นี่มันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ก็บันทีตอนเช้าดีตอนสายขุ่นมม่ที่ตอนบ่ายดีก็ตอนเย็นขุ่นมม่เป็นต้น บางที่อารมณ์ใจก็มันสุขบาที่อารมณ์ใจก็มันทุกข์มันก็ไม่เที่ยงแค่อารมณ์ของเราเองตาอมาดูร่างกายเรามันก็ไม่เที่ยงจากเกิดเป็นเด็กก็มาเป็นเด็กเล็กก็มาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มเป็นหนุ่มสาวมาเป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนมาคงแก่นี่แสดงที่มันเคลื่อนไปอยู่อย่างนี้แสดงว่ามันไม่เที่ยง หลังจากนั้นในการทรงตัวอยู่เราต้องการความสุขประเดี๋ยวความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ความทุกข์จากการประกอบกิจการงานเราก็ทุกข์จากความหิวจากความกระหายเราก็ทุกข์จากการพัดพราดจากของรักของชอบใจก็ทุกข์จากความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์พะความตายจะเข้ามาถึงมันก็ทุกข์ใหญ่เรื่องความว่า เราเกิดมาในห่วงในดินแดงของความทุกข์ไม่มีความสุขถ้าบังเอิญเราจะเกิดเป็นคนอีกี่ชาติก็ใช้ปัญญาพิจารณามันก็มีสภาพแบบนี้คนจนคนรวยก็แก่เหมือนกันทุกคนยาจกเช่นใจก็แก่คนสถานะปากลางก็แก่คนรวยมากๆก็แก่ไม่ว่าสนานะบารมีสูงก็แก่ การที่ไปดูความตายของคนคนฐานะเช่นไหนไม่ตายไม่มีตายหมดเหมือนกันรวมความว่าการเกิดเป็นมนุษย์นมันไม่ดีมันทุกข์แล้ไม่พอจะมีตายมนที่สุดกค่คิดอย่างนี้นาะแล้วก็ไข้โวรต่อไปว่าการเกิดเป็นเทวดากับพมมีไหมก็มเห็นว่ามีจะมีความสุขไม่มี ถ้เก้าสุขไมนานหมดวลิ น, นามันมีกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่ได้แล้วเนะี่ยให้ตัดสิ้นใจได้ปัญญาว่าถ้าตายจากชาตินี้เราขอไปอีกพ่านและจิตใจไปตั้งวม่ิ้วพยคอยครูแนะนำอย่างนี้จะมีการแจ่มใสได้ครองตัวมากสำหรับญาติโยมพุทธริษัทที่ปฏิบัติใหม่ให้ใช้คำภาวนาว่าณะมะพาทะใช้คำานาสี่คำนโยนะ ว่านะมะภาทะเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวันะมะเวลาภาวนาออกหาใจตามมะพาทะแต่ว่าเวลาที่พรู้ลมหายใจเข้าจะออกด่ขอญาติโยมทุกคนจงอย่าบังคับลมหายใจแรงลมหายใจไปตามปกติถ้าบังคับให้มันหนักให้ใจแรงเราก็จะเลย บังคับให้ใจเบาเราก็จะอดไม่ไป ไ, ไม่จะไม่จะบังคับมันปล่อยตามสบายมันจะให้ใจเบาให้ใจแรงก็เป็นเรื่องของร่างกายเพียงแค่เราจิตใจครับรับทราบเอาเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกเวลาให้ใจเข้านึกตามันนะมะเวลาให้ใจออกนึกตา ม, มาะพระเวลาฝึกครูจะให้ยอดโยมไปพาวนาอย่างนี้ตั้งสิบนาที หลังจากนั้นก็จะมีคนเข้าไปแนะนำถ้ามาโดยการให้เขาจะให้ตั้งเป็นวงถ้ามีคนเขานั่งกลางวงจะ็นทราบว่าคนนั้นเขาจะมาแนะนำขณะที่มีคนเข้าไปนั่งกลางวงเวลานั้นขอญาตโยมทุกคนอย่เลิกภาวนาทันทีไม่สนใจกับคองภาวนา แล้วก็ไม่สนใจจนหัวใจเขาออกปล่อยหมดภาวนาก็ไม่ภาวนาเาหัวใจเขาออกก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าเอาใจไปสนใจกับเสียงของผู้แนะนำํำผู้แนะนําจะแนะนําในการตะกิเลสขณะที่ท่านตั้งจั้งใจฟังคําแนะนําในการตะกิเลสเวลาไม่ไดฟังธรรมะจิตของทุกคนจะค่อยลดจากกิเลสไปทีละน้อยๆน้อยน้ๆ นี่เลยจะค่อยๆห่างไปจากใจต่อมาเมื่อครูผู้ฝึกก็เห็นว่าจิตมีความสะอาดพอสมควรเขาก็จะถามว่าเวลาที่มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดยอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมลว่าเขาถามเรื่ความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวอย่ากลัวผิดเพราะความรู้สึกแรกไม่ผิดเสมอ ก็าเป็นอารมณ์ความเป็นทิพย์ท่านก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเขาหมายถึงพระอริยเจ้าพรมเทวดาหรือนางฟ้าท่านมีอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายท่าความรู้สึกมียังไงตอบตามนั้นท่านก็ถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกในเมื่อครูผู้ฝึกก็เห็นว่ามีความถูกต้องมีความรู้สึกถูกต้องความเป็นทิพย์ ด, ดีพอสมควร เขาอาจจะแนะนำในการตักเกลิดอีงหนึ่งก็ได้ถือว่าสะอาดในพอหลังจากนั้นเขาจะพาไปพระจุลามุนีเจดีสถานถ้ามีกำลังเข้มแข็งพงษษอก็จะพาปฏิภาชนะรบันดาญาโยมพุทธบริ ษ, ษัททุกคนเวลานี้ขอทุกคนหันหน้าไปทางพพุทธรูปตั้งใจสมาทานสิ่งสม า, านนมาทานเปนกรรมฐาน